สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคนที่ไม่เชื่อว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับทฤษฎีที่สองที่พูดถึงเรื่องว่าพระศพของพระเยซูนั้นถูกสาวกขโมยไปแนวความคิดนี้นะครับก็เป็นแนวความคิดโบราณครับและเป็นแนวความคิดที่ แพ่หลายที่สุดในสมัยของพระเยซูเองนะครับผมจะอ่านพระเจ้านัของพระเจ้าให้ฟังนะครับมัทธิวบทที่ยี่สิบแปดข้อสิบเอ็ดจนถึงข้อที่สิบห้าเมื่อหญิงเหล่านั้นกำลังไปมียามบางคนในพวกเฝ้าอุโมงนั้นเข้าไปในเมืองเล่าเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งบังเกิดขึ้นนั้นให้พวกมหาปุริตฟังเมื่อพวกมหาปุริตประชุมปรึกษากันกับพวกผู้ใหญ่แล้วก็แจกเงินเป็นอันมากให้แก่พวกทหารสั่งว่า พวกเจ้าจงพูดว่าพวกเหล่าสาวกของเขามาลักพระสบไปในเวลากลางคืนเมื่อเรานอนหลับอยู่ถ้าความนี้ทราบถึงหูเจ้าเมืองเราจะพูดแก้ไขให้พวกเจ้าพ้นโทษครั้นพวกทหารรับเงินแล้วจึงทำตามคำแนะนำและความนี้ก็เรื่องลือไปในบรรดาพวกยิวจนถึงทุกวันนี้พี่น้องครับมัตถิวเขียนชัดเจนครับว่าพวก ทหารนั้นรับสินบนรับสินบนจากพวกมหาปุโรหิตว่าให้บอกกับคนอื่นๆว่าสาวกมาลักขโมยประสบของพระเยซูไปแล้วกุเรื่องว่าพระเยซูเป็นก้ามีความตายนี่นะครับคือทฤษฎีที่ว่าด้วยการแนวความคิดที่ว่าพวกสาวกขโมยประสบทีนี้มาดูนะครับว่า จริงๆแล้วมันเป็นยังไงทฤษฎีนี้นะครับเป็นทฤษฎีที่แพร่หลายในหมู่ชาวยูวนะครับเพราะว่ามีบางคนเขียนงี้ครับว่าพระเยซูนั้นเป็นผู้ที่หลอกลวงเป็นผู้ที่ถูกตึงบนแมงเขนและตายแต่สาวกได้ขโมยศพไปเสียจากอุโมงค์ซึ่งฝังไว้หลังจากถูกปลดจากกางเขนแล้วตอนนี้พวกเขาก็หลอกลวงผู้คนโดยยืนยันว่า พระเยซูได้เป็นขึ้นมาจากความตายและขึ้นสู่สวรรค์ไปพี่น้องครับนี่ก็คือข้อเขียนของคนในยุคแรกๆครับเขาเขียนวิจารเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระเยซูแต่ก็มีข้อเขียนของคนที่เชื่อเรื่องนี้และอยู่ในเหตุการณ์ตอนพระเยซูได้เป็นขึ้นมาจากความตายและสืบทอดต่อกันมานะครับเขาก็ให้ความเห็น อีกแนวหนึ่งว่าอุโมงที่ฝังสบนั้นว่างเปล่ามีเพียงผ้าพันศพของผู้ตายวางอยู่อย่างไรก็ดีผู้นําชาวยิวก็เผยแพร่ข่าวเท็จและคอยสกัดกัน้นการเป็นพยานของคนเหล่านั้นแต่คนเหล่านั้นยอมตายยอมตายเพราะเหตุที่พระเยซูเป็นขึ้นเดือดความตายได้อย่างไรถ้าเกิดข่าวนั้นเป็นข่าวปล่อย และเป็นข่าวเท็จจะมีคนยอมตายเพื่อเรื่องนี้หรือพี่น้องเห็นไหมครับสิ่งที่สําคัญตรงนี้ก็คือว่าพระชาวโกจะขโมยพระศพไปทําไมนะครับเพื่อที่จะสร้างลัทธิความเชื่อใหม่หรอือเพื่อที่จะสร้างศาสนาใหม่เหรอือนะครับนี่นครับคือข้อโต้แยง้งพี่น้องครับเราจะมาดูต่อไปนะครับว่า เราจะมีข้อโต้แย้งอย่างไรบ้างนะครับสําหรับเรื่องนี้เราเห็นนะครับว่าคนที่มาเคลื่อนย้ายพระศพนั้นควรจะเป็นใครบ้างถ้าในกรณีที่มีการขโมยหรือเคลื่อนย้ายพระศพศัตรูของพระเยซูก็คงไม่มาเคลื่อนย้ายนะครับพวกปุโรหิตนะพวกธรรมจารย์หรือแมก้กระทั่งคาถโรมก็คงไม่มีใครอยากจะมาเคลื่อนย้ายก็มีอยู่กลุ่มเดียวครับที่อยากจะเคลื่อนย้ายแต่ถามว่ากลุ่มนั้น นะครับกลุ่มที่อยากจะเคลื่อนย้ายนั้นเขาจริงๆแล้วอยากจริงหรือเปล่าพี่น้องครับกลุ่มที่อยากจะเคลื่อนเคลื่อนย้ายนะครับตามข้อสันนิษฐานของคนที่ไม่เชื่อพระเจ้านั้นก็คือพวกเหล่าสาวกนั่นเองแต่ถามว่าขณะที่เหล่าสาวกนะครับกําลังอยู่ในภาวะขวัญเสียขวัญผวาเพราะว่าอาจารย์ที่เขารักตายไปแล้วนะครับและก็ยังมีทหารยาม นะครับกองหนึ่งเฝ้าพบไว้เพราะฉะนั้นการที่จะขโมยออกมานะครับมันต้องผ่านฐานยามนะครับและฐานยามเนี่ยถ้าคุณหลับยามโทษก็คือตายครับฐานยามมันจะหลับพร้อมๆกันได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นหลักฐานและเราคิดต่อไปเราก็จะรู้ว่าฐานยามนั้นถ้าเกิดหลับ นะครับก็อาจจะผลัดกันหลับแต่ไม่มีทางครับที่จะหลับไปทั้งหมดนี่คือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่จะหลับไปทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นยามบางคนนะครับที่เข้าไปในเมืองเล่าเหตุการณ์ทั้งปวงคือเล่าเหตุการณ์จริงๆนะครับถ้าพี่น้องดูหนังเรื่องเรื่องนะครับก็จะรู้ว่าเหตุการณ์จริงๆเนี่ยนะครับควรจะเป็นอย่างไรบ้างหรือน่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเขาเนี่ย ไปเล่าให้มหาปุริหิตฟังมหาปุริหิตนั้นก็เอาเงินอุดปากเลยครับบอกว่าอย่าไปสอนหรืออย่าไปเล่าต่อนะครับว่าพระเยซูเป็นข้นเมีความตายนะครับให้บอกว่าพวกสาวกมาขโมยพอะศพพระเยซูไปนะฮะพี่น้องครับเราถอยกลับไปก่อนนะครับถ้าเกิดว่ามีการขโมยพระศพพระเยซูไปพวกยามนั้นจะไม่กลับมาบอกเรื่องราวเหล่านี้นะครับ ให้กับมหาปุโรหิตล้วครับใช่ไหมครับเขาจะไม่กลับมาบอกเรื่องราวเหล่านี้ให้กับมหาปุโรหิตว่าพระเยซูเป็นขึ้เือความตายแต่เนื่องจากว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงนะครับเขาจะต้องมารายงานแต่ยามเหล่านี้ถูกกลับถูกเอาเงินให้เงินอุดปากเขานั่นเองนะครับเหตุผลต่อไปก็คือว่าอุโมงค์ฝังศพนั้น ซึ่งได้รับการคุ้มกันอย่างหนานแน่นนะครับมาตรการต่างๆเหล่านี้ย่อมเป็นอุปสรรคที่สาวกจะวางแผนโจรกรรมพระศพพระเยซูนะครับและความโศกเศร้าโศกสลดและความขาดหวงเหล่าสาวกก็เป็นข้อโต้แย้งที่มีน้ําหนักและตรงเป้าที่สุดครับว่าพวกเขาไม่สามารถจะกลายเป็นคนที่ห้าวหาญเก่งกล้าถึงขนาดไปชิงพระศพได้นะครับรเผชิญกับกองทหารที่อุโมงได้เพราะจิตใจ สภาพจิตใจเขาเน้นไม่เอื้อมเหนืยให้ทําอย่างนั้นเลยนะครับต่อไปครับเหตุผลต่อไปก็คือหินที่ปิดปากอุโมงค์ใหญ่มากแม้ว่าทหารจะหลับนะครับแต่เมื่อสาวกจะพยายามเข้าไปขโมดพระศพเสียงกิ้งก้อนหินต้องดังคอเทียบปลุกทหารขึ้นมาได้นะครับและไม่เพียงแค่านั้นเมื่อกี้ผมได้บอกไปแล้วทหารยามจะไม่หลับยามครับเพราะว่า โทษถึงตายครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าผ้าพันุ์ผศพเป็นพยานเงียบครับที่บอกว่าเป็นไปนไม่ได้ที่ศพจะถูกขโมยโดยถอดผ้าออกนะครับถอดผ้าออกนี่ก็เจอน้ําเลือดน้ําเหลืองของพระเยซูเลยครับเห็นไหมครับพี่น้องผ้าพันธุผศบนั้นวางอยู่ในที่นะครับผ้าพันุ์พผเสียนก็พับวางอยู่ต่างหากแสดงว่าไม่มีใครป้อนอุมโมงค์ฝังศพได้หรอกครับ และพระศพก็ไม่ได้ถูกขโมยไปเพราะว่าผ้าและเครื่องหอมที่เหลืออยู่นะครับมีค่ามากนะครับและโจรก็ไม่ยอมลำบากแลครับมาพับผ้าห่อพระศพไว้อย่างนี้เขาต้องยกไปหมดนะครับประเด็นต่อไปก็คือว่าเหล่าสาวกเนี่ยเขาจะย้ายพระศพของพระเยซูไปทำไมนะครับหากเขาขโมยพระศพไป ก็ไม่ได้ทําเพื่อพระเกียรติของพระเจ้าหรือเพื่อตัวเองแต่เพื่อหลอกลวงคนอื่นนะครับหลอกลวงไปทําไมครับช่้างศาสนาใหม่เลยครับต่อไปครับเหล่าสาวกนั้นไม่ได้ตระหนักถึงการเป็นขึ้นในความตายเลยเพราะว่าก่อนหน้านั้นเขาไม่ได้คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นจริงและประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือว่าเหล่าสาวกเนี่ยเขาจะกุเรื่องขึ้นมาหลอกลวงได้ยังไงนะครับจริงๆเขาเป็นคนที่กาดตาขาวนะครับ แล้วคนเหล่าเนี่ยพอเวลาเขาเจอพระเยซูสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเจอพระเยซูที่เป็นที่เหนียวความตายสิ่งที่เกิดขึ้นขึ้นก็คือว่าเขากลายเป็นคนที่ห้าวหาญกล้าหาญนะครับพร้อมที่จะถูกจับกลุมได้ถูกจําคุกได้พร้อมที่จะถูกเตี้ยนตีได้พร้อมที่จะยอมตายนะครับอย่างหน้าเจียดสยองได้และไม่มีใครสักคนในพวกเขาที่ปฏิเสธองค์มูสิบิ่นเจ้าและความเชื่อที่ว่าพระเยซูทรงเป็นขี้เหนียวความตายเพียงครับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและ เหตุผลต่างๆที่ผมได้เรียนที่น้องมาแล้วนะครับย่อมแสดงให้เห็นว่าทฤษฎีเรื่องการขโมยพระศพเป็นไปไม่ได้เลยครับเป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นสองทฤษฎีแล้วนะครับพระเยซูสลบไปและฟื้นขึ้นมาเองเป็นไปนไม่ได้พระเยซูถูกขโมยพระศพไปก็เป็นไปไม่ได้แล้วจะเป็นอะไรได้อีกครับปุณณิปรดติดตาม ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในองค์พระเยซูผู้ซึ่งทรงพระชนอยู่ผู้ซึ่งช่วยเราได้ตลอดเวลาผู้ซึ่งสามารถฟังคำอธิษฐานของเราได้อาเมน